จากพระผู้รู้ตอนที่สิบสีปัญหาถามตอบธรรมะคำตอบโดยสันตินันหรือพระปราโมทปาโมโชในปัจจุบันถามเคยได้ยินคนบ่นกันว่าการปฏิบัติเป็นเรื่องยากเหลือเกินไม่ว่าการทำทานถือศีล บำเพ็ญภาวนาล้วนยากและหน้าเหนื่อยหน่ายท้อแท้เสือละเกินที่แท้จริงแล้วการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องยากจริงหรือไม่ตอบพิจารณาจากพระพุทธวจนะก็ไม่พบว่าท่านระบุตายตัวว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องง่ายหรือยากท่านเพียงแต่กล่าวว่าคนดีทำดีง่ายแต่ทำชั่วยากส่วนคนชั่วทำชั่วง่าย แต่ทำดียากรวมความแล้วคงต้องสรุปว่าการปฏิบัติจะยากหรือง่ายลำบากหรือสบายมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลแต่ในแง่ของผมที่พิจารณาดูแล้วกลับเห็นว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากเกินไปถถมมีผลเป็นความสบายซสีอีกเราลองมาพิจารณาถึงการปฏิบัติกันเป็นขั้นๆไปเลยดีกว่า เริ่มจากการทำทานเช่นการให้วัตถุทานผมเห็นว่าเป็นเรื่องง่ายที่เราจะทำทานในขอบเขตที่ตนจะไม่เดือดร้อนคือการให้ถ้าพอใจก็ให้ได้แล้วแต่การจะเป็นฝ่ายเอานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้ได้มาแล้วการจะดูแลรักษาทรัพย์สมบัติก็เป็นงานที่น่าปวดหัวอีกเช่นตอนนี้จะนําเงินไปฝากธนาคารก็กลัวธนาคารล้มแถมดอกเบี้ยต่ํา จะเปลี่ยนไปเล่นหุ้นก็กลัวจะต้องแปลงสัญชาติไปเกิดในภพแมลงเมาการให้อภัยทานก็ง่ายกว่าการจองล้างจองผลาญใครเพราะไม่ต้องวางแผนอะไรไม่ต้องลงมือทำอะไรให้อภัยได้เมื่อไหร่ก็นอนหลับสบายได้เมื่อนั้นในขณะที่ถ้าจะตามจองล้างจองผลาญใครจะต้องคิดวางแผนแถมถ้าดำเนินการไม่ดีอาจจะเป็นฝ่ายถูกเล่นงานซะอีกการให้อภัยจึงง่ายกว่าเป็นไหนไหน การถือศีลก็เป็นเรื่องง่ายกว่าการทำผิดศีลเช่นถ้าจะฆ่าจะตีคนอื่นก็ต้องวางแผนเตรียมอาวุธตอนไปตีเขาก็อาจถูกเขาตีตายเสียเองก็ได้ทำร้ายเขาแล้วก็ต้องหลบซ่อนจากเงื่มมือของกฎหมายหรืออย่างจะไปตกปลาล่าสัตว์ก็ลำบากกว่าการไม่ทำเป็นไหนๆบางคนต้องไปซื้อหาเบ็ด ร, ราคาแพงๆไปนั่งตากแดดตากลมอยู่ริมน้ําเพื่อจะตกปลา การไม่ลักทรัพย์ก็ง่ายกว่าการลักทรัพย์การไม่ผิดลูกผิดเมียเขาก็าง่ายกว่าการทำผิดเพราะเสี่ยงต่อการเจ็บตัวเสี่ยงต่อการเสียชื่อเสียงเกียรติยศการพูดความจริงก็ง่ายกว่าการโกหกพกลมอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ต้องใช้ความจำเท่ากับคนพูดโกหกคนไม่ดื่มเหล้าเมายาบ้าก็สบายกว่าคนดื่มเหล้าไม่เสียเงินไม่เสียเวลาไม่เสียสุขภาพง่ายกว่าการเป็นไหนไหน พอมาถึงการภาวนาหรือการปฏิบัติในขั้นสมถะและวิปัสสนาอันนี้ผมก็เห็นว่ามันสบายกว่าการไม่ปฏิบัติเช่นกันเช่นการทําสมถะถ้ารู้หลักแล้วเอาจิตประคองรู้เข้ากับอารมณ์อันเดียวโดยต่อเนื่องไม่เห็นจะต้องทําอะไรมากมายเลยแค่รู้อารมณ์อันเดียวเรื่อยๆไปอย่างสบายเท่านั้นเองหรือจะทําวิปัสสนาก็ทําจิตทําใจของตนเป็นเพียงผู้สังเกตการ อะไรจะเกิดขึ้นกับกายกับจิตก็รู้เรื่อยๆไปโดยไม่ต้องเข้าไปคล้องแวะยินดียินร้ายอะไรเลยแทบจะเรียกว่าเป็นการไม่ทำอะไรเลยนอกจากรู้ทันอย่างเดียวเท่านั้นแบบนี้มันจะยากได้อย่างไรก็นึกไม่ออกเหมือนกันครับบางคนปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกลำบากมากต้องคอยกดขม่มบังคับจิตใจตนเองจนเครียดไปหมดอันนั้นไม่ใช่ว่าการปฏิบททัติธรรมทําให้ยากลําบากหรอกครับ แต่การปฏิบัติผิดๆต่างหากที่ทำความลำบากให้เราคนที่มีลูกอ่อนจะบ่นว่ายากลำบากเหลือเกินเดี๋ยวลูกก็ร้องกวนอดหลับอดนอนเวลาเด็กเจ็บไข้พ่อแม่ก็เป็นทุกข์เป็นร้อนมากมายเวลาเด็กจะเรียนหนังสือก็ต้องวิ่งเต้นหาที่เรียนให้บางคราวโรงเรียนเขาจับพ่อแม่เป็นนั่งสอบเข้าเรียนด้วยจนเด็กเลิกนับถือพ่อแม่เพราะเด็กสอบได้แต่พ่อแม่สอบตก ทำให้เด็กไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโรงเรียนนั้นตอนลูกยังเล็กก็ห่วงสารพัดกะว่ามันโตกว่านี้หน่อยคงจะสบายแต่แล้วก็ไม่สบายเพราะพอเด็กโตพ่อแม่ก็มีรายจ่ายมากขึ้นแถมต้องห่วงใยสารพัดเพราะสังคมของเรามันทารุณโหดร้ายเหลือกเกินพอลูกเรียนจบพ่อแม่ก็ปวดหัวเรื่องอาชีพการงานของลูกอีกถัดจากนั้นก็ปวดหัวเรื่องการหาคู่ของลูก หลังจากนั้นก็เตรียมตัวรับภาระเรื่องหลานต่อไปอีกเลี้ยงลูกแต่ละคนลาบากแทบตายก็ยังเห็นตั้งหน้าจะมีลูกกันเป็นส่วนมากบางคนต้องเสียเงินเสียทองมากมายเพราะมีลูกยากแต่อยากจะมีพอบอกว่าให้ทำใจสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แค่นี้ก็บอกว่าทุกยากเหลือเกินทำไม่ไหวแล้วเรื่องของเรื่องก็ไม่มีอะไรมากหรอก กิเลสมันหลอกเอานะครับเราจึงเห็นผิดเป็นชอบเห็นการปฏิบัติที่เป็นของสบายว่าลำบากหรือประมาณส่วนการไม่ทำทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาและการคลุกคลีอยู่กับโลกที่แสนจะลำบากกลับรู้สึกว่าพอทนได้ไม่ลำบากเท่าไรเลย ว่าการปฏิบัติธรรมมันยากครับเพราะเราต้องสู้กับความเคยชินบ้างบางคนก็รู้สึกว่าไม่มีวิธีเหมาะกับตัวเองบ้างหรือไม่มีฐานเก่ามาบ้างอยากจะขอคำชี้แนะให้เห็นมุมมองของการปฏิบัติธรรมที่บอกว่าง่ายครับตอบผมเห็นว่าปัญหาใหญ่อยู่ที่เรามองการปฏิบัติธรรมคือกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะต้องใช้เวลา หรือมีกิจกรรมแยกออกต่างหากจากชีวิตประจำวันของเราเหมือนคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายจะรู้สึกลำบากที่จะจัดเวลาไปออกกำลังกายถ้าหากเราเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมคือการทำในสิ่งที่เคยทำหรือจำเป็นต้องทำแต่บวกความรู้ตัวในขณะที่ทำเข้าไปด้วยเท่านั้นการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นเรื่องง่ายไม่กินเวลาไม่เสียกิจกรรมที่จาเป็นต้องทา เมื่อฝึกหัดมากขึ้นกระทั่งศีลก็ไม่ต้องรักษาเพราะกิเลสยมหน้ามาให้เห็นนิดเดียวก็ถูกเปิดโปงแล้วกิเลสจึงครอบงำจิตไม่ได้การทำผิดศีลจึงเกิดขึ้นไม่ได้การนั่งสมาธิถ้าไม่มีเวลาจริงๆจะไม่นั่งก็ได้เพราะในขณะที่ทำความรู้ตัวอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นจิตจะมีสมาธิในขั้นพื้นฐานอยู่แล้วถ้าจเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันให้มาก เราอาจจะใช้เวลาก่อนนอนเข้าห้องน้ำนั่งรถเมย์ทำความสงบเป็นช่วงๆไปก็ได้คราวละ 5-10 นาทีก็ยังดีบางท่านรู้ว่าตนต้องเลี้ยงลูกอ่อนก็ปฏิบัติทำอยู่ในชีวิตประจำวันหรือเลี้ยงลูกไปปฏิบัติไปก็ทำได้ใครจะเอาอย่างก็ได้นะครับเช่นลูกร้องตอนดึกๆพอหูได้ยินใจก็หงุดหงิดเพราะอยากนอนก็รู้ทันจิตตนเอง หรือได้ยินเสียงลูกร่าเริงหัวเราะน่ารักแน่เนดูก็รู้ใจตนเองจะนั่งดูโทรทัศน์เป็นเพื่อนคนในครอบครัวก็ดูไปแล้วก็ดูจิตไปด้วยมันสนุกมันขบขันมันเศร้าโศกก็รู้มันไปอย่าไปห้ามไปฝืนมันรวมความแล้วจําเป็นต้องทําอะไรก็ทําไปแต่บวกความรู้ตัวเข้าไปอีกอย่างเดียวก็พอแล้วครับสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระรูปหนึ่งว่า ท่านไม่ต้องรักษาวินัยหรือปฏิบัติข้อวัดใดๆก็ได้มีสติรักษาอยู่ที่จิตอย่างเดียวก็พอแล้ว ใช้วิธีการกำหนดรู้กายหรืออิริยาบทต่างๆํำกับไปทุกขั้นตอนอย่างละเอียดช้าๆเช่นหิวกำหนดรู้ความรู้สึกหิวที่กําลังเกิดอยากรับประทานกำหนดรู้ที่ใจที่อยากเห็นในวงเล็บอาหารยกในวงเล็บมือไปจับในวงเล็บช้อนแข็งในวงเล็บรู้สึกว่าช้อนแข็งถ้ารู้สึกว่าแข็งถ้าไม่รู้สึกอะไรชัดเจนก็ไม่ต้องกาหนดรู้ เย็นในวงเล็บรู้สึกว่าช้อนเย็นถ้ารู้สึกอย่างอื่นเช่นอุ่นหรือร้อนก็กำหนดไปตามจริงถ้าไม่รู้สึกอะไรชัดก็ไม่ต้องกำหนดรู้อะไรยกในวงเล็บมือไปจับในวงเล็บซ่อมแข็งเย็นยกในวงเล็บมือที่จับช้อนไปตักเขี่ยในวงเล็บใช้ช้อนและซ่อมช่วยกันทำคำข้าวให้พอดียกในวงเล็บซ่อมไปวางยก ในวงเล็บมือและช้อนพร้อมอาหารมาในวงเล็บที่ปากอ้าในวงเล็บปากใส่ในวงเล็บอาหารเข้าไปในปากยกในวงเล็บช้อนและซ่อมไปวางเคี้ยวในวงเล็บอาหารเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวกลืนในวงเล็บอาหารลงในลำคอถึงในวงเล็บถ้ารู้สึกว่าอาหารตกถึงกระเพาะถ้าไม่รู้สึกก็ไม่ต้องกําหนด เห็นในวงเล็บอาหารอยากรับประทานจะเป็นหนทางทำให้เกิดสติได้ดีไหมครับรบกวนขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องการเจริญสติเพื่อรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏแต่ต่างจากที่ผมทำอยู่นิดหน่อยตรงที่ผมจะไม่เคลื่อนไหวให้ช้าลงแต่จะฝึกสติให้เร็วขึ้นเรื่อยๆ แต่รายละเอียดเหล่านี้มันต่างกันไปตามจริตนิสัยของแต่ละคนครับธรรมะปฏิบัติจึงมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันมากมายแต่แกนกลางเป็นอันเดียวกันทั้งสิ้นคือการมีสติรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏในปัจจุบันผู้ปฏิบัติจำนวนมากจะคลาดเคลื่อนอยู่จุดหนึ่งคือเมื่อมีสติระลึกรู้ปัจจุบันอารมณ์ที่กำลังปรากฏแล้วจิตมักจะเคลื่อนหลงตามอิริยาบถ เป็นการเพ่งจ้องใส่อิริยาบทอย่างหนึ่งและเป็นหลงคิดนำว่าเดี๋ยวจะเคลื่อนไหวอย่างนี้อย่างนี้อีกอย่างหนึ่งถ้าระวังสองจุดนี้ได้การปฏิบัติจะประสบผลอย่างรวดเร็วครับ สัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นกลางเป็นอย่างไรครับแล้วเราควรมีความเป็นกลางของจิตไว้ก่อนใช่ไหมครับเมื่อจิตไหลไปก็เห็นทันแบบนี้หรือเปล่าครับตอบหลักการข้อแรกของวิปัสสนาเป็นเรื่องของการจำแนกรูปนามครับซึ่งรูปนามนั้นถ้าจำแนกให้ละเอียดขึ้นก็จะประกอบด้วย 1. รูปและสองนามนามเท่ากับเจตสิกกับจิตถ้าจิตไม่หลงตามรูปหรือหลงตามเจตสิกก็ถือว่าแยกออกจากกันแล้วจิตในขณะนั้นจะรู้อารมณ์ได้ชัดเจนในภาวะสักว่ารู้ไม่ว่าจะเป็นการรู้รูปเช่นอิริยาบถของกายหรือรู้นามคือเจตสิกเช่นกิเลสต่างๆแต่เมื่อใดจิตหลงตามรูป หรือหลงตามเจตสิกจิตจะเกิดความยินดียินร้ายไม่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางไม่สักว่ารู้ถ้ากล่าวกันตามตำราจะเห็นภาพยากครับแต่ถ้ามองในแง่การปฏิบัติจะไม่ยากนักที่จะทําความเข้าใจคือถ้าเราเห็นอารมณ์เกิดขึ้นเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นโดยจิตไม่เคลื่อนหลงไปตามความโกรธหรือเห็นการเคลื่อนไหวของกายโดยจิตไม่เคลื่อนหลงเข้าไปเพ่งจ้องกาย อันนี้คือจิตมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิและเป็นการเดินวิปัสสนาแล้วแต่ถ้าสังเกตให้ดีเวลามีอารมณ์เช่นความโกรธเกิดขึ้นเราจะเห็นแรงผลักดันบางอย่างคือตันหาเกิดขึ้นกับจิตใจของเราเองแรงดันนั้นจะผลักดันให้จิตเคลื่อนเข้าไปยึดอารมณ์เช่นพอเกิดความโกรธจิตรู้ไม่ทันจิตจะเคลื่อนไปตามแรงตัหา มุ่งเข้าไปหาอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนั้นหรือไปจ้องใส่คนที่ทำให้โกรธไม่ย้อนมาสังเกตจิตใจตนเองที่กำลังถูกความโกรธครอบงำอันนี้เกิดขึ้นเพราะเรารู้ไม่ทันและเพราะจิตไม่มีความตั้งมั่นพอท่านอาจารย์แนบท่านชอบพูดประโยคนึงที่เห็นภาพชัดดีมากคือท่านบอกว่าให้ดูละครแต่อย่าไปเล่นละครซิเอง หมายความว่าเมื่อจิตไปรู้อารมณ์อะไรก็ให้รู้ในฐานะเป็นผู้รู้ผู้ดูเฉยเฉยอย่าหลงเข้าไปยึดถือยินดียินร้ายไปกับอารมณ์นั้นด้วยก่อนที่จะลงมือทำวิปัสสนาท่านจึงสอนให้มีสัมมาสมาธิเสก่อนคือจะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางวิธีการมาตรฐานที่สุดก็คือการทำสมถะจนจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็จะสังเกตเห็นชัดว่า ความสุขความสงบเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ความสงบเท่านั้นแต่บางท่านทำสมถะก่อนไม่ได้จะกำหนดรูปนามไปก่อนก็ได้แต่พึงทราบว่านั่นยังไม่ใช่วิปัสนาจริงๆเมื่อทำไปช่วงหนึ่งจึงค่อยสังเกตว่ารูปนามเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่จิตอันนั้นจึงเริ่มเป็นนามรูปปริเฉทยานหรือเป็นการเริ่มต้นทำวิปัสนาครับ เมื่อจิตรู้ตัวตั้งมั่นอยู่แล้วหากไม่หลงไปเพ่งจ้องใส่จิตแต่ปล่อยให้จิตรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏไปตามธรรมชาติธรรมดาจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูละครของโลกโดยไม่โดดเข้าไปแสดงละครเซ้เองแต่เมื่อใดจิตไม่วิสุทธ์คือไม่มีสัมมาสมาธิพอมีอารมณ์มาล่อจิตก็จะเคลื่อนออกไปยึดเกาะอารมณ์สร้างภพสร้างชาติขึ้นทันที ดังนั้นที่กล่าวว่าเราควรมีความเป็นกลางของจิตไว้ก่อนนั้นถูกต้องแล้วครับยิ่งถ้ารู้ทันว่าจิตหลงจิตเคลื่อนจิตไหลจิตวิ่งตามตัณหาและอื่นๆแล้วแต่จะเรียกอันนั้นดีมากเลยครับเพราะผู้ปฏิบัติจานวนมากนั้นจิตกำลังหลงอยู่แท้ๆกลับรู้สึกว่าตนกำลังเจริญสติสัมปชัญญะรู้รูปนามอยู่สันตินัน หรือพระปราโมวปปามวโชว์ในปัจจุบันบทความจากธรรมาใกล้ตัวชะบับที่14อ่านโดยอนุสอตรีโซภาได้จบทีเพราะมีสินทางไว้ให้เด็กรมพลันสุการกับรุงใหม่